ฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐที่สุดที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจที่สุดยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้น ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยมีสิ่งเดียวในโลกนี้ก็คือเขาทาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำให้จิตใจของพวกเราที่ทุกข์อยู่กับเรื่องต่างๆนั้นให้หมดทุกข์หมดสุข ให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่จะทำให้เหานี้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอีกต่อไป พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของประเสริฐของมีคุณค่ามากและก็เป็นของที่หายากอย่างยิ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดสรุวิธีการดับทุกข์ของใจได้ด้วยพระองค์เอง แล้วหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาวิธีการปฏิบัติที่ทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากใจนี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้วิธีการดับทุกข์แล้ว แต่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองเลยฉะนั้นคนอย่างพระพุทธเจ้านี้อันนานถึงจะมีมาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งมาเกิดเพื่อมาศึกษามาค้นคว้าวิธีของการดับความทุกข์ของใจว่าดับได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่เป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วคนอย่างพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะสามารถรู้เห็นวิธีของการดับความทุกข์ของใจได้ด้วยตนเองเลยเราจึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัลุวิธีการดับความทุกข์ของใจก่อนแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัลุ วิธีการดับความทุกข์ของใจได้แล้วก็จะนาํามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับพวกเราอีกอีกทอดหนึ่งถ้าพวกเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี พวกเราก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมอนเลิ่อันบเสดของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ของใจว่าจะต้องดับอย่างไรกันแต่ถ้าเรามาเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนก็ดีไม่มีพระอริยบุคคลภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี มาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีของการดับความทุกข์ของใจได้เลยพวกเราก็จะต้องอยู่ไปกับความทุกข์ไปเรื่อยๆทั้งในภพนี้ในชาตินีแ้และในภพต่อๆไป แต่ yeah, พอเราได้มาเจอกับพระธรรมคำสั่งคำสอนแล้วเรามาศึกษามาเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ของใจว่าดับได้อย่างไรแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติไปเรื่อยๆความทุกข์ของใจก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับแล้วในที่สุดความทุกข์ของใจก็จะหมดสิ้นไปได้ ดับได้เพราะครับเพราะศึกษาเพราะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดับได้เพราะมีพระธรรมคําสอนยังมีอยู่ในโลกนี้อยู่ดับได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้นําเอาธรรมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราที่มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ จึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชควาสนาเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสที่จะได้หลุดออกจากกองทุกข์ต่างๆได้สถานภาพของพวกเราจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับนักโทษดีๆนี่เองพวกเราเป็นนักโทษกันแต่พวกเราไม่รู้ว่าเราเป็นนักโทษกันเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่ มีความอิสราเสรีภาพสามารถที่จะไปทำอะไรต่างๆให้ความสุขกับเราได้แต่สิ่งที่เรามักจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามกันไปก็คือถึงแม้จะมีเสรีภาพในการหาความสุขต่างๆได้แต่เสรีภาพของการหาความสุขของเรานี้และความสุขที่เราหามาได้นี้ไม่สามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ไม่สามารถที่จะยุติวงจรอุบาทคือวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเรานี้ติดอยู่ในวงจรนี้ซึ่งเป็นเหมือนคุกตารางดีๆนี่วงจรของการเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนวิธีของการออกจากวงจรอุบาตนี้วงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นเหมือนคุกตารางดีๆนี่ คุกตารางนี้ก็มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันที่จะจับพวกเราขังให้อยู่ในคุกในตารางนี้ไปเรื่อยๆกำแพงสี่ด้านก็คือด้านหนึ่งก็เรียกว่าเกิดด้านที่สองก็เรียกว่าแก่ด้านที่สามก็เรียกว่าเจ็บด้านที่สี่ก็เรียกว่าตายเรานี้ไม่มีวันไม่ ไม่ไม่มีอกาสหรือเรายังติดอยู่ในคุกตารางนี้สาดใดที่เรามาเกิดกั น, นแสดงว่าเรายังอยู่ในคุกในตารางกันอยู่เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องไปเจอความแก่เจอความเจ็บแล้วเจอความตายและหลังจากตายไปแล้วเราก็ยังจะกลับมาเกิดใหม่ ถ้าเราไม่ได้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายของเราได้เราก็จะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเจอขอบความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องมีความทุกข์กันทุกคนเวลาแก่นี้ไม่มีใครอยากจะแก่กัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันเวลาตายก็ไม่มีใครอยากจะตายกันก็รู้ว่ามันเป็นความทุกข์กันนั่นเองแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรายังยุติการมาเกิดไม่ได้เมื่อเรายังยุติการมาเกิดไม่ได้เราก็จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้ว การเกิดก็จะตามมาใหม่แต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะส่งสอนว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี่โมหะอวิชาคือตัวที่ไม่รู้ว่าอะไร ที่เป็นสุขอะไรที่เป็นทุกข์เห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นว่าการเกิดเป็นสุขขอคิดว่าเมื่อได้เกิดแล้วก็จะได้มาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกิ่นรสโผฏฐพัธเสกกันก็เลยคิดว่าการเกิดดีเราจึงมักฉลองวันเกิดกัน เวลาใครเกิดเวลาใครมีลูกนี่เราจะต้องไปแสดงความยินดีกันดีใจด้วยที่ได้ลูกลูกจะได้มาเกิดในโลกนี้แล้วลูกจะได้เจริญเติบโตแล้วก็จะได้ไปหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กันแต่เรามองความจริงเพียงด้านเดียวคือด้านของความสุข เราปฏิเสธที่จะมองอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านของความทุกข์ถ้เกิดแล้วต่อไปก็ต้องแก่ต่อไปก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปก็จะต้องตายกันเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่พวกเราไม่ไม่ไ ม, ไม่มองไม่เห็นกันเพราะอำนาจของโมหะอวิชชาคือความหลง ความไม่รู้ความจริงการามไม่มองความจริงให้ครบถ้วนบริบูรณ์เรียกว่าอาวิชชามองเห็นความจริงด้านเดียวเห็นความจริงคือความสุขที่จะได้จากการมาเกิดแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่จะได้จากการมาแก่มาเจ็บมาตายที่ตามมาเมื่อมีการเกิดเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยหลอกให้เรา หลงอยากจะมาเกิดอยู่เรื่อยๆตายไปแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่เวลาแก่ก็อยากจะให้มันไม่แก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยเราไม่รู้สึกตัวกันอ น, นี่คือตัวที่มาสร้าง ตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันตัวที่พาให้เรามาทุกข์หลังจากที่เราเกิดแล้วเมื่อเรามาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเราก็เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันความอยากอยู่อย่างความอยากอยู่ไปเรื่อยๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ตอนที่มาเกิดแล้วจะทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันทำไม่ได้<ม>นี่คือความหลงความไม่รู้ความจริง<ม><ม>พอเรามาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า<ม>ท่านก็จะสอนบอกเราว่า ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับอะไร<ม>เราต้องมองความจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มองให้ครบทั้งสองด้าน<ม>ด้านสุขก็มองให้เห็น<ม>ด้านทุกข์ก็ต้องมองให้เห็นเมื่อเราเห็นด้านทุกข์แล้ว ม, มันจะทำให้เรามไม่อยากได้อะไรในโลกนี้จะทาให้เราไม่อยากมาเกิดกัน พอเรารู้ว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนั่นเองแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครชอบสอนความจริงในด้านของความทุกข์กันพ่อแม่ก็ไม่สั่งไม่สอนครูบาอาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆก็ไม่สั่งไม่สอน ก, นกันก็เลยทำให้ไม่มีใครรู้กันว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันก็เลยลืมลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันแต่ว่าไม่รู้ก็ไม่เชลิงรู้เหมือนกันแต่พยายามไม่นึกถึงมันไม่คิดถึงมันพยายามเป็นอัลไซเมอร์กับความแก่ความเจ็บความตาย <ừ. S 1> เพราะเวลาที่เราไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กันนะั่นเอง เวลาใดที่เราไปนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายตายใจเราจะทุกข์กันเราจึงไม่กล้าที่จะมองความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเราไม่มองความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะลืมไปลืมว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายกันนี่นี่คือปัญหา คือไม่มีใครสอนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไม่มีใครอยากจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันก็เลยลืมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายกันพอมีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายปรากฏขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาพอได้ยินว่าคนนั้นตายคนนั้นเป็นมะเร็ง อย่างนี้พอได้ยิน ก, ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทัน ท, mm. ทีทั้งๆที่มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของลกของร่างกายของคนทุกคน mm. ที่เมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่กิเลสมันไม่ต้องการให้เรามองเห็นความจริงด้านนี้เพราะว่าถ้าเรามองเห็นความจริงของมองด้านของความทุกข์แล้ว มันจะทำให้เราไม่อยากจะมาเกิดเด็กมันจะทำให้เราไม่อยากจะอยู่อยากจะอยู่แบบไม่แก่อยู่อย่างไม่เจ็บอยู่อย่างไม่ตายเพราะเรามองเห็นความจริงว่ามันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้ร่างกายของคนทุกคนมันอยู่ในวงจรของมันมันมีวงจรของมันวงจรของการเกิดแล้วก็ต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายกันทุกคน ถ้าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย mm. ก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจ mm. ตัวความแก่ตัวความเจ็บตัวความตายเนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์แต่อย่างใด mm. ตัวที่ทําให้ใจทุกข์นั้นคือความอยากของใจเองความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ทั้งที่ทําให้ใจต้องมาทุกข์กัน mm. Mm. แต่ การที่เราจะทำให้ใจเราไม่ไม่อยากไม่แก่ไม่ไม่เจ็บไม่ตายได้นั้นเราก็ต้องมองความจริงกันต้องมองให้เห็นว่าอยากยังไงร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของมันอยู่ดีไม่มีใครที่จะห้ามมันได้แล้วมองให้เห็นนึกไปกว่า น, นั้นก็มองให้เห็นว่าร่างกายนี้ความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราท่นเอง มันเป็นร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาจากธาตุสีจากธาตุน้ํธาตุดินธาตุลมธาตุไฟดินน้ําลมไฟที่มีอยู่ในท้องแม่แล้วก็มีอยู่ในท้องของพ่อที่เวลาดินน้ําลมไฟของพ่อกับของแม่มารวมกันมาผสมกันก็จะทำให้เกิดการ เการต่อร่างสร้างตัวขึ้นมาของร่างกายของทารกยมันเป็นดินน้ำนมไฟมันไม่มีตัวตนเราไม่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เลยแต่เรามาครอบครองร่างกายนี้ด้วยการส่งกระแสที่เรียกว่ากระแสจิต<ม>กระแสจิตนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณห้า วิญญาณหก็ได้แก่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพว<ม>กเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายพว<ม>กเราที่ทุกกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเหล่านี้เป็นใจเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธาตุรู้<ม>เป็นธาตุรู้ร่างกายเป็นธาตุดินธาตุน้ํทาธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้มาเชื่อมมาติดตอ่อ มาครอบครองธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟของร่างกายนี้ด้วยการส่งกระแสจิตที่เรียกว่าวิญญาณห้าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอวิญญาณมาเกาะที่ร่างกาย ท, าที่ตาหูจมูกลิ้นกายเอาเวลาร่างกายสัมผัสกับรูป รูปก็จะถูกส่งกลับมาที่ใจกลับมาที่เราแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกาย<ม>เราอยู่อีกที่หนึ่งอยู่คนละโลกกับร่างกายร่างกายนี้อยู่ในโลกกรทาติโลกที่เราอยู่โลกที่ร่างกายอยู่นี้เรียกว่าโลกกระทาตคือโลกกระทาสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทำมาจากธาตุสี่ทั้งนั้นหรือธาตุใดธาตุหนึ่งหรือบางมาผสมกัน เ่นร่างกายก็มีธาตุสีมาผสมกันถึงทำให้เกิดมีร่างกายขึ้นมาได้ธ<ม>าตุนี้บางทีก็อยู่ตามลำพังของมันเช่นธาตุน้ำที่อยู่น้าในทะเลน้ำในแม่น้ำลำธารนี้ก็เป็นธาตุน้ำล้วนๆธ<ม>าตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้มาจากแสงพาทิดนี่<ม>เรียกว่าธาตุไฟ ธาตุลมก็คือลมที่พัดไปพัดมานี่ในอากาศนี้เราก็เรียกว่าธาตุลมหรือลมที่เราหายใจเข้าออกในร่างกายเรานี้ก็เป็นธาตุลมรวนๆไม่ได้ผสมปรุงแต่งกับใครธนะาตุดินก็คือดินที่เราเหยียบอยู่นี่พื้นดินเนี่ยพื้นดินที่ทำให้เกิดเวลาอยากจะปลูกต้นไม้ก็ต้องมีดินถึงจะปลูกได้เวลาอยากจะให้ร่างกายนี้เจริญเติบโต ก็ต้องอาศัยธาตุดินก็คืออาหารที่ได้มาจากธาตุดินเช่นผักผักต่างๆที่เราเอามากินกันนี้ก็เป็นธาตุดินหรือข้าวที่เรามากินก็เป็นธาตุดินโลกนี้คือโลกโล ก, โลกกระทามีแต่ธาตุทั้งนั้นถ้าเรามองถ้ามองด้วยปัญญามองด้วยความความจริงแล้วเราจะรู้ว่ามันมีแต่ธาตุทั้ง ธาตุธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟแล้วก็บางทีธาตุสี่นี้ก็มารวมกันมารวมตัวกันก็ทําให้เกิดเป็นต้นไม้บ้างเกิดเป็นร่างกายของมนุษย์บ้างร่างกายของสัตว์เลี้ยงล่บ้างบางทีธาตุนี้ก็อาจจะไม่มีทั้งสี่อย่างมารวมกัน เช่นท่าน้ำกับท่านลมท่านน้ำกับท่าไฟนี่เวลามามามาผสมกันเช่นไฟท่าไฟนี้มามาแผ่เท้าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำน้ำทานหรืออยู่ในในท้องในทะเลหรือมหาสมุทรนี่ยพ อ, อพอทะเลมันร้อนขึ้นมาน้ำในทะเลร้อนขึ้นมามันก็จะกลายเป็นไอขึ้นมากลายเป็นท่าน กลายเป็นท่านลมขึ้นมาแล้วเหยขึ้นมาอยู่ในอากาศเกาะตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆขึ้นมาแล้วต่อไปก้อนเมฆนี้เมื่อมันมีความความร้อนน้อยลงไปความเย็นเพิ่มมากขึ้นก้อนเมฆที่เกาะตัวอยู่นี้ก็จะกลายเป็นน้ําไปกลายเป็นน้ําแล้วก็ตกตกลงมาเป็นน้ําฝนตกลงมาสู่แม่น้ําลาทานใหม่ อันนี้ก็วงจรของน้ำกับการผสมของน้ำกับธาตุน้ำกับธาตุไฟคือความร้อนทำให้มีมีเมฆมีฝนมีอะไรต่างๆแล้วเมฆฝนก็จะก็จะทำมาให้กลายเป็นน้ำทำให้มีแม่น้ำหนแม่น้ำลำธารนนี้คือเรื่องของการการทำงานของธาตุสีในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุสี่ธาตุสี่ในตัวมันไม่ม <laughs> ีตัวตนธาตุน้ำม <sters iden desapare optimized> ันไม่มีตัวตนไม่มีใครมาบอกว่าฉันเป็นธาตุน้ำไม่มีธาตุดินก็ไม่มีใครมาบอกว่าฉันเป็นธาตุดินมีธาตเดียวเท่านั้นที่มาบอกว่าฉันเป็นตัวตนก็คือธาตรู้หรือใจของพวกเรานี้ตัวที่มาบอกว่าธาตรู้หรือใจนี้เป็นตัวตนก็เป็นเป็น เป็นโมหะเป็นความหลงนั่นเองเป็นอวิชชาความไม่รู้ความจริงที่มันมาอยู่ในใจของเราแล้วมันก็จะมาคิดว่าเรานี้เป็นทาตรู้เราเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็ไปหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราด้วยเป็นของเราด้วยนี่คือ สิ่งที่เราต้องรู้จักเราต้องรู้จักให้รู้ว่าร่างกายนี้ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุสี่มันเป็นของธาตุสี่เพียงแต่ว่ามันมารวมตัวกันพอธาตุสี่มารวมตัวกันอยู่ในท้องแม่มันก็จะเจริญเติบโ ต, ตด้วยการอาศัยธาตุสี่ที่มีอยู่ในท้องแม่นี้หล่อเลี้ยงร่างกาย ให้ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย mm hmm. พอจเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณเก้าเดือน mm hmm. ก็จะต้องคลอดออกมาจากท้องเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องต่อไปได้แล้วร mm hmm. ่างกายก็จะคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วร่างกายที่คลอดออกมาก็จะเริ่มเอาธาตุสีเข้าไปในตัวของเขาเอง mm hmm. เด็กพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ต้องเริ่มหายใจเวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจเพราะอาศัยลมหายใจที่มีอยู่ในร่างกายของแม่หล่อเลี้ยงไปก่อนแต่พอออกจากท้องแม่มาแล้วนี้ต้องเริ่มหายใจทันทีเพราะถ้าไม่หายใจเด็กก็จะตายได้ทันทีดงนั้นสิ่งแรกที่ร่างกายจะเติมเวลาออกมาจากท้องแม่ก็คือทาานลมลมหายใจเข้าออก แล้วตามด้วยการเติมธาตุน้ําธาตุน้ําก็คือน้ํานมทั้งมีทั้งมีมีทั้งธาตุน้ําแล้วมีทั้งธาตุดินผสมอยู่เป็นอาหารหล อ, อเลี้ยงเติมธาตุน้ำธาตุดินส่วนธาตุไฟก็อาศัยความร้อนอของห้องของห้อ ง, องพักที่อยู่อาศัยต้องมีอุณหภูมิที่ไม่หนาวเกินไปถ้าไม่มีความร้อนพอเพียง ถ้ามีอากาศเย็นมากร่างกายก็อาจจะแข็งตายได้ mm. นี่ออกจากท้องแม่มาแล้วก็ต้องเริ่มเอาหาเอาธาตุสี่เข้ามาด้วยตัวเองตอนที่ยังเป็นเด็กยังทำเองไม่ได้ก็บางส่วนทำเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ทำให้ mm. เช่นหาธาตุดินธาตุน้ำมาให้ mm. แต่ทารกก็ต้องเป็นผู้ที่กินเองดื่มเอง mm. พ่อแม่ก็คอยป้อนอาหาร คอยป้อนธาตุสี่ให้อยู่เรื่อยๆร่างกายก็เลยค่อยๆเจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาอวัยวะต่างๆคืออาการ32สองก็จะค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปตามลําดับยนี้เป็นกระบวนการของการทํางานของธาตุสี่ธาตุาดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแต่เรามาักเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ได้ศึกษาความจริงกัน เราก็เพียงแต่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็ตำลังเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเรามันเราก็จะได้ใช้มันไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะในใจของเรานี้หิวโหยกับความสุขที่เราจะได้จากการสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรถผพทภะชนิดต่างๆ เวลาที่เราไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพันนี้เราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจไม่ไม่สุขใจไม่อิ่มใจแต่เวลาใดที่เราได้ไปเสบรู้สัูสกเสียงกลิ่นรสผดทพันแล้วมันก็จะทำให้ใจเรารู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่ความอยากที่อยากจะได้อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ มันเป็นความอยากที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันพอ<ม>ได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็อยากไปเรื่อยๆ<ม>นี่ตอนที่ร่างกายยังสมบูรณ์ยังแข็งแรงยังสามารถตอบสนองความอยากของใจได้ใจก็มีความสุขไปกับมันไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงช่วงที่ร่างกายแก่ลงไปไม่สามารถตอบสนอง ความอยากได้เวลานั้นใจก็จะเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาใจจึงไม่ชอบความแก่เพราะรู้ว่าความแก่นี้จะทําให้ร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ใจเสรให้ใจมีความสุขได้เ ช, ช่นเดียวกับเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะรู้ว่าเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะไปหาความสุข ต่างๆผ่านทางร่างกายไม่ได้เช่นเดียวกับเวลาที่จะตายก็จะทุกข์มากเพราะรู้ว่าจะต้องไม่มจะไม่มีร่างกายได้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไปอนี่แหละคือปัญหาของใจใจถูกความหลงหลอกให้มาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันอพอไม่มีร่างกายใจก็จะทุกข์หรือเวลาร่างกาย แก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายใจก็จะทุกข์เพราะจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้อุตจ้าทรงมาตัดสู้ว่าวิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ก็คือเราอยาดไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันไม่อิ่มไม่พอแล้วมันจะต้องเจอ วันที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้ต่อไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็จะต้องกลายเป็นคนแก่ไปกลายเป็นคนเจ็บกลายเป็นคนตายไปเราไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาลดูเขาหาความสุขได้ไหมไปดูคนแก่ตามสถานสถานที่คนชะาอยู่กันเขาก็อยู่กันไปวันวันพอพอไม่ให้ตายเท่านั้นเอง แต่จะให้เขาไปหาความสุขเหมือนตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เขาไม่สามารถทําได้แล้ว<ม>สิ่งเหล่านี้แนหะเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันต้องเรียนรู้กันเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขกัน<ม>อย่ายไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกัน<ม>หาเรายังสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้<ม>วิธีที่พระพุทธเจ้าหาความสุข หลังจากที่ออกบวชแล้วก็คือแทนที่จะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาหาความสุขจากการฝึกสติการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบแทนเพราะเวลาใจสงบนี้ใจเข้าสมาธิได้นี้ใจจะมีความสุขและมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้นั่งกาย ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรต่างๆนี่คือวิธีที่เราจะทำให้เราจะไม่ต้องมาใช้ร่างกายถ้าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายต่อไปเวลาร่างกายตายไปเราก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่อไปเพราะเราสามารถมีความสุขได้จากการใช้สติใช้ปัญญาของเรา สิ่งที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือสติและปัญญาเป็นความสุขสองระดับด้วยกันความสุขที่ได้จากสตินี้เป็นการทําใจให้สงบแบบชั่วคราวแล้วความสุขที่จะได้จากปัญญาก็คือการทําใจที่เป็นความสงบแบบชั่วคราวนี้ให้กลายเป็นความสงบอย่างถาวรต่อไปได้พระพุทธเจ้า เคยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่พอวันหนึ่งออกไปเที่ยวข้างนอกวงังพอไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชอุตตมเจ้าก็เลยเห็นสัจธรรมความจริงว่าถ้ายังจะพึ่งร่างกายหาความสุขไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะทําให้จะไม่สามารถที่จะ มีความสุขได้จะมีแต่ความทุกข์ไปเรื่อยๆจนถึงวันตาย<ม>พอ่องก็งเลยเห็นนอกจากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวช<ม>ก็เลยได้ยิน<ม>ได้รู้ว่านักบวชนี้เขาเป็นพวกที่ไปหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกาย<ม>คือการใช้การบําเพ็ญการลื่ลสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้เข้าฌานให้ได้ เวลาใจสงบใจเข้าฌานแล้วใจก็จะมีความสุขแต่ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เวลาเข้าไปในฌานก็มีความสุขแต่เวลาออกจากฌานมาออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มทุกข์ใหม่ได้เวลามาคิดถึงร่างกายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายใจก็ยังจะต้องมีความทุกข์ได้อีก พระพุทธเจ้าก็เลยสรงค้นหาว่าแล้วจะทำไงให้ใจไม่ทุกเวลาที่ไปเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายของร่างกายวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ต่างหากที่เป็นตัวทําให้ใจทุกข์กันพอใจไปนึกถึงความแก่ของร่างกายก็ไม่อยากแก่ขึ้นมา พอไม่อยากแก่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยพอไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความตายความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่อยากตายก็จะเกิดขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย แล้วความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยางไม่ตายนี้ก็เกิดจากการที่ใจต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจยังมีความอยากถ้าใจยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆอยู่ไปเสพรูปเสียงกิ่นรอยู่เวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่น้ได้ใจก็จะทุกข์ เพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากที่จะใช้น่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็มาสอนใจว่าน่างกายธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างไรความจริงของร่างกายเป็นอย่างไรนั่งกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม เม mm hmm. ื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายด้วยกันทุกคนเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้เกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นสูตรตายตัวถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายด้วยกันทุกคนแต่ความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ไม่ใช่เป็นตัวที่ทาให้ใจทุกข์ตัวที่ทาให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บอยากไม่ตายกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสตินั่งสมาี่เข้าฌานได้เราสามารถทำใจให้นิ่งเฉยๆได้เวลาเราออกจากสมาี่มาเราก็ยังสามารถรักษาความนิ่งของใจได้ด้วยการมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากไปอยากอยากาคําแก่อยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยากไปก็ทำให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆ แต่ถ้าไม่อยากใจก็จะไม่ทุกข์แต่ใจไม่สามารถไปเปลี่ยนความจริงของร่างกายได้คือความไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่สามารถทำให้มันไม่แก right. ่ไม่เจ็บไม่ตายได้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของมันอยู่ดีแต่ใจสามารถที่จะอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายของร่างกายได้โดยที่ไม่ไม่ทุกข์กับมันได้ ถ้ารู้จักหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บ ห, หยุดความอยากไม่ตายปัญญาจะสอนให้เราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันเพราะว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย และการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธินั่นเองถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิเช่นตอนนี้ญาติโยมส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิกันก็ยังจะไม่สามารถหยุดความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอไปเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้า ญาติโยมรู้ว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์นี่ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปหยุดใจทำใจให้เฉยๆให้ได้เวลาที่ใจเฉยนี่ความอยากต่างๆมันก็จะหยุดไปไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากให้มันอยู่ไปนานๆปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมัน มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่ใจเราอย่าไปยุ่งกับมันเพราะใจเราสามารถที่อยู่ปราศจากการมีร่างกายได้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ถ้าเรามีสติเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้ทำใจให้สงบทำใจให้เฉยได้ใจเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย น, นี้วิธีของการที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะเราได้เรียนรู้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเราก็รู้ด้วยด้วยปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้ความจริงของร่างกายก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมันได้แต่เราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่เราห้ามห้ามความทุกข์ที่จะเกิดขอบความเวลาร่างกายแก่เจ็บตายได้ด้วยการหยุดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นเองเออและการที่จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ได้เราก็ต้องมีสติมีกำลังที่จะหยุดความอยากที่ทาใจให้นิ่งเฉย เราต้องมีสติในในการสามารถทําใจให้เข้าสู่เ <Thompson. S 2> ข้าสมาธิให้หเข้าฌ า, านให้ได้ mm. พอเราเข้าสมาธิเข้าฌานได้แล้วเราก็จะใช้ความสงบของสมาธินี้มาทําใจให้อยู่เฉยๆถึงแม้ไม่ได้เข้าสมาธิ mm. แต่เรามีสติพอที่จะทําทใจให้เฉยได้เวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิได้ mm. Mm. ถ้าเราทําใจให้เฉยได้ ไม่ให้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เวลาเราเจอความแก่ใจเราก็จะเฉยเฉยเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายใจเราก็จะเฉยเฉยเวลาเจอความตายของร่างกายใจเราก็จะเฉยพอเฉยไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะไม่เกิดขึ้นมา ใจก็จะสงบสุขเหมือนกับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจสามารถแยกตัวเองออกจากร่างกายได้แล้วใจมีปัญญารู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเป็นเพียงแต่ผู้ที่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆแต่การอาศัยร่างกายนี้มันก็มีโทษตามมาก็คือมีทุกข์ตามมานั่นเอง ทุกที่จะเกิดเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าเราไม่อยากจะทุกกับร่างกายเราก็อย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอย่าไปใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพาเราไปดูไปฟังอะไรต่างๆพาเราไปกินไปดื่มอะไรต่างๆถ้าเรายังอาศัยความสุขเหล่านี้อยู่เราก็ต้องอาศัยร่างกาย แล้วถ้าเราอาศัยร่างกายเราก็จะต้องทุกขกับร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บหรือเวลาที่มันตาย เ, าเราต้องมาฝึกมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาความสุขผ่านจากผ่านการเจริญสตินั่งสมาธิการเจริญปัญญากัน อันนี้แหละคือทำไมคนเราต้องมาบวชกันทำไมต้องมาอยู่วัดมาถือศีลแปดมานุ่งขาวห่มขาวมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิกันก็เพื่อมาฝึกจิตให้ให้จิตนิ่งเฉยให้จิตปล่อยวางให้จิตเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นการถือศีลแปดนี้ก็เป็นการาระงับการหาความสุขผ่านทางร่างกายในขั้นขั้นต้นก่อนในเบื้องต้นก่อนอ เราเคยใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มเวลาที่เรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเราก็งดชั่วคราวก่อนเรายังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเบรกมันได้บ้างเช่นวันพระพระเจ้าสอนให้ญาติโยมมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันแทนที่จะไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงขลิศก็ให้มาหาความสุขจากการฝึกส ต, ตินั่งสมาธิกัน และให้เราระงับการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขด้วยการถือศีลแปดศีลแปดก็จะท้ามและ ไ, ไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้เรากินอาหารมากเกินไปกินพอประมาณพอเ ล, เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอให้กินไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไป เราจะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาเจริญสติมานั่งสมาธิกันแล้วเราก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูหรือฟังมหัศลศพบันเทิงต่างๆละเว้นการร้องลํำทำเพลงไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปงานต่างๆงานวันเกิดงานวันแต่งงาน ง, งานอะไรทั้งสิ้นที่มีการฉลองความสุขทางตาหูจมูกเล้นกาอเราจะละเว้นกัน แล้วเราก็จะไม่นอนมากเกินไปนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนก็พอด้วยการนอนบนพื้นแข็งๆไม่มีฟูกหนาๆไว้นอนเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะนอนมากเกินไปร่างกายเวลาได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจยังติดกับความสุขที่อยู่กับ ก, บการนอนบนฟูกสบายก็<ม>จะนอนมากเกินไป จะทำให้สูญเสียเวลามีค่าในการที่เราจะมาให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิเข้าชานกับการสังเทศสังทามเพื่อให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพาค ข, ขึ้นมาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อให้พุทธบริ ษ, ษัทธสีผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จะได้มีเวลาให้กับการ ปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบเต็มที่เราต้องเลิกเสพการามกันให้ได้เลิกเสพรูปเสียงกลิก่นลดผลทพะแล้วก็เอาเวลาที่เราไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นลถผลทพะนี้มาให้กับการเจรสติมาให้กับการนั่งสมาธิการที่เราจะนั่งสมาธิให้ให้ใจสงบให้เข้าฌานได้นี้จะเป็นที่จะต้องมีสติที่ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่เราต้องฝึกสติให้ใจนี้ไม่ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆไม่ให้ลอยไปกับอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คือสรุปก็คือให้หยุดคิดเลยด้วยการฝึกสติด้วยการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ผูกใจให้หยุดความคิดอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน เช่นเราคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้ก็เป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งกรรมฐานที่จะทําให้ใจเหล่านี้ไม่ลอยไปกับตามความคิดต่างๆได้ถ้าเราผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราพุโทโธพุโทโธนี้เราจะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราเผลอปั๊บเมื่อไหร่มันจะไปทันที เวลาเราฝึกใหม่ๆนี้เราอาจจะอยู่กับพุโทโธได้ไม่กี่วินาทีอยู่ได้สองสามวินาทีก็เผลอไปละไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เราก็ต้องดึงกลับมาใหม่พยายามตั้งเป้าหมายของการฝึกของวันที่เราฝึกจกติตว่าวันนี้จะไม่ให้คิดอะไรให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธจะทําอะไรก็ทําเท่าที่จําเป็นทํางานที่จําเป็นคืองานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่น ทำอาหารถ้ายัางต้องทำอาหารอยู่ก็ทำอาหารรับประทานอาหารอาบน้าอาบน้านั่งน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวงานที่จาเป็นต่อการดูแลร่างกายเท่านั้นแต่เราจะไม่ไปทำงานอย่างอื่นเราจะทำงานคือสติงานหลักของเราในวันพระคือการฝึกสติคอยควบคุมความคิดคอย ห, หยุดความคิดถ้าเราสามารถฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะควบคุมความคิดได้ ให้มันคิดน้อยลงไปตามลำดับแล้วเวลาใจคิดน้อยลงไปตามลำดับเวลามานั่งสมาธิมันก็จะนั่งนั่งนั่งได้ง่ายสงบได้เร็วเพราะไม่ต้องมาสู้กับความคิดเพราะเราควบคุมความคิดก่อนที่เราจะมานั่งแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้พอเวลามานั่งสมาธินี้นั่งไม่ได้ เพราะใจฟุ้งใจเครียดใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจไม่อยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะอยู่กับพุโทโธไม่อยากจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกฉนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้จิตสงบได้นี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกสติกันก่อนการฝึกสตินี้เราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนดับถ้าเราไม่ไปทํางานนี้เราก็จะ ฝึกสติได้ง่ายกว่าการที่เราไปทํางานเพราะถ้าเราไปทํางานนี้มันจะต้องใช้ความคิดมากใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องพบปะกันคุยกันสนทนาอะไรกันมันต้องใช้ความคิดทั้งนั้นถ้าเราต้องการฝึกสติเพื่อหยุดความคิดนี้เราต้องมาฝึกในวันที่เราไม่ทํางานจะดีกว่าแล้วเราต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ไปอยู่ที่เราไม่ต้องไปพบปะกับใครอยู่อยู่ตามลําพังของเรา ถ้าเราอยู่ตาลมลำพังนี้เราก็ไม่ต้องพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเราไม่มีงานต้องทําเราก็ไม่ต้องใช้ความคิด <crianças. S 1> แต่ใจมันก็ยังอดคิดไม่ได้มันก็ยังอดคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้อดคิดถึงงานไม่ได้พอรามันคิดเราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป <ees. S 1> เราไม่จําเป็นว่าจะต้องพุโทโธทั้งวันอ เ, เราพุโทโธเพียงแต่ให้มันหยุดคิดเท่านั้นเอง เวลาที่เราพุทธโทแล้วมันไม่คิดเราก็หยุดพุทโธได้แต่เราต้องคอยเฝ้าดูว่ามันจะคิดใหม่หรือเปล่าถ้ามันเริ่มคิดใหม่ใหม่เราก็ต้องพุทโธใหม่เหมือนกับเวลาที่เราต้องการที่จะเบรครถยนต์ไม่ให้มันไหลเนี่ยถ้าเราปล่อยเบรครถยนต์มันก็จะไหลเช่นถ้ารถมันมันมันจอดอยู่บนเขาบนอยู่ทางทางลาดเนี่ยเวลาบอบเวลาปล่อยเบรครถมันก็จะไหล ถ้าเราต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกไว้ความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถโยนที่ไหลลงเขานี่มันจะคิดของมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเหยียบเบรกพุโทโธพุโทโธหยุดมันได้มันก็จะหยุดไหลพอมันหยุดไหลล้วก็ปล่อยเบรกดูหยุดพุดโทโธดูพอมันจะเริ่มคิดอีกเราก็พุโทโธใหม่พวกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะหยุดนานขึ้นนานขึ้น พุโทโธเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องพุโทโธทั้งวันทั้งคืนเราพุโทโธเพียงแต่ให้มันหยุดความคิดเท่านั้นเองหยุดคิดเท่านั้นเองพอมันไม่คิดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธไปได้นะแต่เราก็ต้องคอยเฝ้าดูมันอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันคิดพอมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พุโทโธต่อไปถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ในขนาดนี้แล้วในระดับนี้แล้วเวลานั่งสมาธินี้เราก็นั่งพุท นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธต่อไปอเวลาที่ร่างกายอยู่นิ่งๆใจก็จะนิ่งเข้าสมาธิได้เวลาที่จะร่างกายยังไม่นิ่งร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวยอยู่ใจยังต้องทำงานต้องคอยควบคุมคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวยอยู่ใจก็ยังจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ฉะ น, นเวลาที่จะเข้าสมาธินี้จำเป็นจะต้องอยู่ในท่านั่ง ถ้าอยู่ในท่าอื่นนี้ใจมันจะไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้เพราะใจยังต้องทำงานอยู่ยังต้องคอยสั่งร่างกายให้ใ ห, ให้นั่งให้เดินให้ยืนให้ทำอะไรอยู่ mm hmm. ถ้าอยากจะให้ใจหยุดสั่งการกับเรื่องของร่างกาย mm hmm. ก็ต้องจับร่างกายมาให้นั่งอยู่เฉยๆ mm hmm. พอร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วใจก็ไม่ต้องสั่งให้ร่างกายขยับ mm hmm. เวลาที่มันมีอาการอะไรที่ ที่ว่าที่อยากจะขยับร่างกายก็อย่าไปขยับในเวลาที่เราร่งเวลาที่เรานั่งสมาธิเพราะเป็นการตกใจให้ขึ้นลุกขึ้นมาทำงานนั่นเองใช่เวลานั่งแล้วเรารู้สึกอยากจะเ ก, า, เกาตรงนั้นเกาตรงนี้ก็อย่าไปเกาม่นปล่อยให้มันขาดไปอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับกรรมฐานก็คืออยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเวลามีอะไรรู้สึกว่าร่างกายเองไปข้างหน้าเอ็ไปข้างหลังแล้วอยากจะขยับร่างกาย ก็อยาขยับให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆมันจะเองก็ช่างมันไปปล่อยมันเองไปแต่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันเองหรือเปล่าบางทีเราก็คิดไปเองอพยายามอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วอาการต่างๆที่มันจะมาลบกวนใจมันก็จะค่อยๆหายไปพอไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้วถ้าใจยังอยู่กับพุโทโธอยู่เดี๋ยวใจก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เข้าสมาธิได้เข้าฌานได้ทันที น, นี่คือการที่เราจะฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้เราได้เข้าฌานเข้าสู่ความสงบเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติบาลังสุขขงังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบของใจนี้ไม่มีความสุขของสมาธิไม่มี ความสุขที่ดีที่สุดเหนือกับความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบให้นิ่งนั่นเองใจจะสงบใจจะนิ่งได้ต้องมีสติทั้งวันถ้าการจะจริญสติได้ทั้งวันต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในสถานที่สงบเช่นไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติสถานที่ปฏิบัตินี้เขาจะส่งเสริมให้ปีกวิเวกันให้แยกกันอยู่กันสาหรับผู้ที่ สามารถปฏิบัติตามลาพังได้แล้วแต่สำหรับผู้ที่ยังฝึกใหม่ๆอยู่ก็อาจจะให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปก่อนทําพร้อมๆกันไปก่อนฝึกขั้นพื้นฐานไปก่อนฝึกวิธีเจริญสติว่าเจริญอย่างไรฝึกวิธีนั่งสมาธินั่งอย่างไรสําหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆนี้อาจจะทําร่วมกันได้อยู่ เช่นเวลาเราไปเข้าไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาจะมีตารางกำหนดไว้ว่าตื่นกี่โมงมาปฏิบัติธรรมกี่โมงไหว้พระกี่โมงไหว้พระสวดมนต์กี่โมงนั่งสมาธิกี่โมงทำอะไรต่างๆเวลาเท่าไหร่ให้เราทำตามพร้อมๆกันไปก่อนแต่พอต่อไปถ้าเราสามารถจเจริญสติได้ตามลำพังแล้วไม่ต้องอาศัยครูมาสอนไม่ต้องอาศัย คนมาดึงเราไปทําเราสามารถทําองเราเองได้แล้วต่อไปเราก็ไปหาที่ที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้มันจะทําให้ไม่มีเรื่องวุ่นวายมาเรื่องเรื่องวุ่นวายมากระทบกับใจมาสร้างความพุ่งสร้างให้กับใจเราก็ต้องตัดวิธีการเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามต้องตัด สิ่งเหล่านี้ออกไปอย่าไปสนใจเราต้องการที่จะมาทำใจให้เข้าข้างในแต่ถ้าเราไปดูไปฟังนี้มันจะดึงใจให้ออกไปหารูปหาเสียงหากิ่นหารสใจก็จะไม่สงบพอใจออกมาข้างนอกแล้วใจจะฟุง้งใจจะเครียดใจจะวุ่นวายเพราะกิเลสตัณหามันจะเริ่มทำงานเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็ไม่อยากไม่อยากได้ความอยากความอยากไม่อยากก็จะทาให้ใจกระเพื่มทาให้ใจ กวนก歪กระสับกระสายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ตามสถานที่สงบตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆตามวัดต่างๆเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราไม่สามารถเจริญสติได้ถ้าเรามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้ว เวลาที่เรามานั่งสมาธินี้ใจก็จะสงบได้ง่ายเข้าสมาธิได้ง่ายแล้วอยู่ได้นานด้วยการเข้าสมาธิแล้วอยู่ให้มันนานๆ น, า น, นี้ก็อยู่ที่กําลังของสติด้วยถ้ากําลังของสติมีน้อยเช่นผู้ฝึกใหม่ๆนี้สติยังมีไม่มากพออาจจะมีมากพอพอจะทำให้ใจให้สงบได้ชั่วแวบหนึ่งก็ก็เป็นก็เป็นในลักษณะของผู้ปฏิบัติใหม่ กำลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะทำให้ความสงบนี้สงบไปได้นานแต่การสงบชั่วแว บ, บหนึ่งก็ถือว่าสาเร็จขั้นหนึ่งแล้วสามารถทำใจให้สงบได้ แ, แต่แม้แค่แต่เป็นชั่วแค่งูแลบลิ้นก็ตามหรือฟ้าแลบก็ตามความสงบที่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบชั่วขณะเดียวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ประทับใจมันจะทาให้ดึงดูดใจให้อยากที่จะปฏิบัติให้มากขึ้น จะทาให้กำลังศรัท ธ, ธาความเพียรที่จะปฏิบัติสตินี้ก็จะมีมากขึ้นออกจากสมาธิมาก็ทำต่อเลยออกมาก็จเจริญสติต่อไม่ว่าจะลุกขึ้นไปทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีอะไรทาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนเดินไปเพื่อเปลี่ยนอริยาบทเพราะนั่งนานๆแล้วมันอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆเราก็มาเดินพอดผ่อนคลายอริยาบุ ก็ต้องมีส ต, ติกำกับอยู่ตลอดเวลาส ต, ตินี้จำเป็นต่อการกระทำทุกิริยาบทเพราะเราต้องการที่จะควบคุมความคิดถ้าเราทำโดยไม่มีสติปล่อยให้ทำไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนี่แสดงว่าเราไม่ควบคุมความคิดพอจะกลับมานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสมาธิได้ยากดังนั้นเราต้องฝึกสติตกันก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิเวลาไม่ออกจากสมาธิมนก็ต้องฝึกสติต่ตอไปก่อน เพือให้มีสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งกลายเป็นสติแบบอัตโนมัติไม่ต้องคอยควบคุมไม่ต้องคอยบังคับ ม, มันเป็นของมันเองมันจะคอยระมัดระวังคอยหยุดความคิดค อ, คอยเฝ้าดูว่าใจคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันได้ ท, ทันทีทำอย่างนี้ไปแล้วเวลานั่งสมาธิก็สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกครั้งถ้าเราสามารถํานาญเรื่องของการเข้าออกสมาธิ ออกจากสมาธิก็มีก็มีสติคอยควบคุมใจควบคุมความอยากได้ท่านต่อไปเราก็มาศึกษาทางด้านปัญญาด้านปัญญาก็จะสอนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราที่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเช่นร่างกายอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากเสียปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไป ถ้าเรามีสติกำลังที่เข้าสมาธิได้เราก็จะใช้สตินี้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้เวลาเจอความแก่ก็ไม่ทุกเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกเจอความตายก็ไม่ทุกแล้วก็จะไม่ทุกไปตลอดเลยเพราะมัน ม, ม, มันมันไม่ทุกเพราะปัญญาปัญญาสอนให้เราหยุดความอยากพอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิก็ได้ จะอยู่กับความแก่วความเจ็บความตายได้โดยที่ไม่ต้องไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้ายังไม่มีปัญญานี้บางทีเราต้องใช้สติหลบเข้าไปในสมาธิก่อนเวลาเกิดความทุกข์เกี่ยวกับทางร่างกายแต่ถ้าเราออกมาแล้วถ้าเรามีปัญญาเราใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ใจเราก็ยังไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปอ น, นี้แหละคือวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสักรโลกอย่างพวกเรา ถ้าพวกเราอยากจะพ้นทุกข์แบบพระพุทธเจ้าแบบพระอริยสงสารุกเราก็ต้องน้อมเอาทำที่พระเจ้าทรงสอนมาให้เรามาปฏิบัติมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเลิกหาเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วมาหาความสุขผ่านการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันแล้วพอเราได้ทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็สามารถเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ เมื่อเราไม่ใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปได้เราไม่เดือดร้อนแล้วเพราะมีแร้วไม่มีก็เท่าเท่ากันเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ใช้ศีลเป็นผู้สร้างความสุขให้กับใจของเราใจของเราก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเราก็จะไ ม, ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่ก็เกิดเรื่องของการดับความทุกข์ทางใจทางทาง ทางพระพุทธศาสนาะที่สอนโดยพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกพวกเราถ้ามาศึกษามาและนนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมท น, นาให้พรยาถาวรวาหาปูราริกุเรนติสากลัง เอวเมวะอโตจินางเปตานางุปกปฏิอิชิตังปฏิตัตุมหังคิปเมวาสมิจฉาโตสัพเพปเรนตุสํงกปาจันโทปนะาัสุยะธามณิโชตอลัสุยะธาสัพพิตโยวิวะชันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตปวัตวันตาลาโยสุขิทีขาโยโกภาวะอภิวาธนสิลิกษานิจจวุธาปัจจายโนจตารูธรร ม, มาวาทานเตอายุวันโอสุขง า, างฮาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่เราจะมีการถามตอบคําถามได้พอเราเวลาที่เราเลิกกันแล้วมันจะไม่สะดวกเห็นถ้าอยากจะถามอะไรถามในตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้ต อ, อนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้อมกล่บในมัสการเจ้าค่ะ ผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 357 YouTube พระอาจารย์สุชาติ332 YouTube ด r V 42วิทยุออนไลน์11 c h a n n e b h o u s e 6ผู้รับฟังหน้ากุติ142รวม890ท่านเจ้าคะ่ะ mm hmm. คำถามจากทาง YouTube เจ้าคะ่ะ กรณีที่ฝึกสมาธิสติมาอย่างเข้มข้นแล้วแต่ใจยังไม่ยอมรับในอริยสัจสี่ไม่ยอมรับในกฎของไตรักษ์เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายได้ตอนนี้ยังไม่สามารถหาอุบายให้กับใจได้เลยเจ้าค่ะกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมเจ้าค่ะเพราใจยังไม่ได้สมาธินั่นเองยังไม่ได้ฌานต้องเข้าฌานสี่ให้ได้ให้มีโอเบคาแล้วมีความสุข จากสมาธิแล้วใจก็จะยอมรับแล้วปล่อยวางร่างกายได้ขายทรายกำจัดลูกน้ำเป็นบาปไหมครับถ้าทำให้มันตายก็บาปนะผมพยายามดัดนิสัยเรื่องการกินอยู่ของตัวเองให้เป็นผู้มักน้อยตามคำสอนอยู่ แต่ผมก็ยังโลภอยากจัดหาอาหารที่วิจิตรบรรจงมาถวายพระอย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับเธอถ้าทำให้คนอื่นไม่เป็นกิเลสถ้าทำให้ตัวเองมันเป็นกิเลสทำให้คนอื่นแสดงว่าเรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้คนอื่นเขาได้มีความสุขจากการรับประทานอาหารอะไรต่างๆที่แต่ถ้าทาให้กับตัวเราเองจะมันจะเป็นกิเลส คำถามจากทางยูทู e เจ้าค่ะกระผมเป็นผู้มีศรัทธาน้อยแต่ปฏิบัติทุกวันไม่มีขาดได้มีโอกาสไปสั ง, สงเวชนียสถาน4ี่ปลายปีนี้จึงอยากเรียนสอบถามว่าผมควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติต่อไปครับไม่ต้องไปอันนี้ไปปฏิบททัติธรรมทั้งี้ไปเสียเวลาเปล่าไปก็ไม่เจอพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราถ้าเรามีสติทําใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นของแท้อยู่ในใจเราอในในใเห็นถ้าไม่ไปได้ก็ดีอืไปส่วนใหญ่ก็อยากจะไปเที่ยวกันมากกว่าอ้างว่าไปไหว้พระพระที่ไหนก็มีไหว้เยอะแ ย, ยะในเมืองไทยนี่อยากจะไปไปเที่ยวไปดูอะไรต่างๆอม แต่ถ้าจะเป็นยังยังอยู่ความอยากไม่ได้ก็ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ก็ยังดีอยู่กับไปเที่ยวตามบาร์ตามผับอะไรต่างๆ อ, อย่างนั้นถ้าถ้าอยากจะไปก็ไปได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าไม่ไปได้แล้วฝึกสตินั่งสมาธิไปเข้าไปข้างในจะดีกว่าเพราะของแท้ของจริงอยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก เวลาเราปฏิบัติแล้วเราทําใจให้สงบได้นี้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรก็เห็นใจที่สงบนี่แหละใจที่สงบที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นใจแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้า ใ, ใจของพระพุทธเจ้าสงบด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิพ<ม>อเราทําใจของเราให้สงบ<ม>เราก็เหมือนกับเราได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะใจของใครก็ตามที่สงบแล้วเหมือนกันหมดม ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาจารตถาวกใจของพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาใจของท่านสงบนี้เหมือนกันหมดเหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันเนี่ยรถรุ่นนี้จะผลิตวันไหนก็ตามเอกมากี่คันกี่กี่วันก็ตามมันก็จะออกมาเหมือนกันหมดทุกคันฉนั้นถ้าเห็นคันนี้มันก็เหมือนกับเห็นคันนู้นนะเหมือนมันเหมือนกันใจเราก็เหมือนกัน พอเราทำใจให้สงบได้เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพอเห็นใจเพราะใจของพระเจ้าก็เป็นใจที่สงบนี่ใจของพระอรหันตสาวกก็เป็นใจที่สงบพอเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเห็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่คำถามจากคุณจีราภัทน์เจ้าค่ะ บิดามีความเชื่อว่าการตายคือเป็นศูนย์ไปแล้วโยมควรจะบอกท่านอย่างไรดีเจ้าคะก็มันดูสิมันศูนย์นี่ไหนร่างกายมันก็เปลี่ยนไปท่านเองมันก็แยกแยกชิ้นส่วนออกไปธาตุดินก็แยกออกจากธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ไปคนละทิศคนละทางส่วนใจก็ยังอยู่ต่อใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปเกิดใหม่ ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้มันก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติถ้าอยากจะเชื่ออย่างไม่สงสัยก็ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติแยากกายแยกจิตออกจากกาันได้ก็จะรู้ว่าอ๋อร่างกายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้ร่างกายตายร่างกายต้องคืนสู่ดินน้ำนมไฟแต่ใจนี้เป็นถา่ารู้เป็นใจที่ไม่ต้องแยกไม่มีชิ้นส่วนเลยไม่มีการแยกส่วนไม่มีการสูญสลายถ้ารู้ก็อยู่ต่อไป แล้วก็ไปเกิดใหม่ก็คือทารู้ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติการบอกเล่าก็อยู่ที่ว่าคนฟังแล้วฟังแล้วคิดว่ามีเหตุมีผลก็อาจจะเชื่อได้ในระดับหนึ่งแต่จะเชื่อแบบรอยเเซ็นตนี้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติหายสงสัยอย่างที่พระโสดาบันนี้วิจิกิจฉาทามยังไรสงสัยในในเรื่องของจิตเรื่องของอะไรนี้จะหายไปหมด เพราะว่าเห็นความจริงจากการปฏิบัติอย่างที่เมื่อกี้พูดทําใจให้สงบแล้วก็จะเห็นความจริงเขาจะรู้ว่าใจนี่แหละเป็นตัวที่จะไปเกิดไปไปไปหาร่างกายอันใหม่ใจมันไม่เกิดแล้วมันไปหาร่างกายใหม่ที่เกิดใหม่เพื่อจะได้เอาร่างกายอันใหม่นี้มาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปอแต่พอใจที่สงบแล้วใจก็ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องใช้ร่างกาย ใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่แต่ใจก็ไม่สูงใจที่ไม่ไปเกิดใหม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เพียงแต่อยู่แบบสุขไม่ไม่ต้องทุกกับการมีร่างกายพอาะทุกครั้งที่มีร่างกายก็ต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายนั่นเองคําถามจากคุณพิภูสนะเจ้าค่ะในขณะทำบุญบริจาคเงินใจบอกว่าเงินเป็นแค่เศษกระดาษที่สมมุติขึ้นมา โยมไม่มีความรู้สึกเสียดายเงินเลยอย่างนี้โยมจะได้บุญใหม่เจ้าคะได้ได้ปัญญาบุญที่เกิดจากการจา ก, จากการมีปัญญาเห็นว่าเงินทองจริงๆก็เป็นของสมมติเราสมมติตั้งราคากันขึ้นมาเองเอากระดาษมาเขียนเลขมาอ่ะใบนี้ยี่สิบใบนี้ห้าสิบแล้วก็เชื่อกันไปแล้วก็แต่ความจริงมันก็เป็นแค่กระดาษ ถ้าอะไรนั้นเป็นกระดาษเราก็จะไม่ทุกข์ใจกับมันเวลาที่เราสูญเสียมันไปเวลาอยู่ก็ไม่ห่วงไม่กังวลแต่เราเพียงจะรู้ว่ามันเพื่อเป็นของที่เราสามารถเอามาทำประโยชน์ได้เอามาแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆได้ที่จาเป็นเอามาแลกเปลี่ยนเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ย า, ายรักษาโลกได้คือการเห็นด้วยปัญญาซึ่งเป็นบุญมากกว่าการเห็นด้วยกา ร, ด, การด้วยการทาบุญทาทาน คำถามจากคุณวิภารัลเจ้าคะ่ะหากปฏิบัติสมาธิจนจิตเห็นไตายรักแล้วต้องวางจิตอย่างไรต่อเจ้าคะก็ปล่อยวางเฉยๆไปร่างกายแก่ก็มันก็เป็นตายรักร่างกายเจ็บก็เป็นตายรักร่างกายตายก็เป็นตายรักเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราไปทําอะไรมันไม่ได้ก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปข้าวของเงินทองก็เป็นตายรักเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักหมดสามีภรรยาบุตรธิดา อะไรก็ตามตำแหน่งยศอะไรต่างๆมันก็เป็นตายรักทั้งหมดปล่อยวางได้หมดก็ยอยู่เฉยๆไปไม่ทุกข์กับมันเวลามันจะมาก็ไม่ยินดีเวลามันจะไปก็ไม่ไม่เสียใจคือจิตที่ได้ฝึกให้จิตสงบจิตเห็นตายรักแล้วจิตจะจิตจะเป็นกลางจะเฉยๆจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ยังอ <c oughs> <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมีการก่อการก่ อ, กอร่างสร้างตัวขึ้นมาเมื่อมันมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการแยกตัวออกไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรถยนต์นี้ใช่ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เก่าจนกนะทั่งใช้ไม่ได้มันก็พังเขาก็แยกชิ้นสวน่วนออกไป ร่างกายของเราก็เหมือนกันใช้ไปนานๆมันก็เก่ามันก็พังมันก็แยกชิ้นส่วนออกไปไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมมันจะกลับมันจะกลับสู่ที่เดิมของมันคือธาตุเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟพอเวลามันแยกกันมันก็แยกกลับคืนสู่น้ําก็กลับคืนสู่ธาตุน้ําดินก็กลับไปอยู่กับดินไฟก็กลับไปอยู่กับไฟลมก็กลับไปอยู่กับลมแล้วก็มารวมตัวกันใหม่ มาสร้างสร้างของใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วก็แยกตัวกันออกไปนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่เที่ยงท่านถึงบอกไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันไม่ดับอยากให้มันอยู่ไปนานๆก็จะต้องทุกข์ใจเสียใจเวลาที่มันเกิดการดับไปนันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราต้องยอมรับความจริงไม่ฝืนความจริงไม่ไปอยากให้มันไม่ดับไม่ไปอยากให้มันเที่ยง เป็นของไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไม่เที่ยงไปใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่จะทำใจให้เฉยได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธินี่เองฝึกสติได้มากเท่าไหร่ใจก็จะเฉยหยุดความอยากต่างๆได้มากขึ้นไปตามลำดับต่อไปเวลาเจออะไรก็เฉยๆไปเจอสิ่งที่เราเคยชอบก็เฉยไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็เฉยไปเช่นใคร ใครมาชมเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นเหมือนดีใจเหมือนสมัยก่อนเวลาใครมาดา่าเราก็ไม่เสียใจปล mm hmm. ่อยเขาด่าไปปล่อยเขาชมไปถ้าเราฝึกจิตมีสติให้นิ่งเฉยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่สะทกสะท้านมันจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่มันกระทบกับใจ mm hmm. ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้นะที่นี่ ถามตอนนี้ได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเลิกล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบคําถามอเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเผื่อมีคนกําลังพิมพ์คําถามเข้ามาอยู่ถ้าเรามีคําถามอยากจะถามถ้าต่อไปเราพูดธรรมะไม่ได้ทั้งชั่วโมงนี้พูดสักครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงจะได้ไหมได้นะอ ถ้าเรานั่งนั่งเฉยๆแล้วก็เราก็พวกเราก็นั่งดูลมไปพุโทโธไปภายในใจเปลี่ยนจากการสังเทศสังธรรมมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไปทําใจให้สงบต่อไป<ม>พอรู้สึกว่าต่อไปนี้มันพูดไปนานๆแล้วมันรู้สึกมันจะเหนื่อยมไม่ไม่ไม่ค่อยมีแรงที่จะพูด<ม>แล้วก็เรื่องที่พูดมันก็ยมันก็ซ้ำซากพูดอยู่จาเจยอยู่นั่นอนะเรื่องสติเรื่องสมาธิ เรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องตายรักมันก็พูดอยู่อย่างนั้นนะมันก็มีมันเปน็นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วปล่อยวางให้ได้คปพูดเรื่องอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อ ย, ม, ม, อยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์ทางใจเราต้องให้รู้เรื่องราวเหล่านี้ให้รู้เรื่องวิธีทาสติวิธีทาสมาธิให้รู้ว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ในอริยาาสัจสี ความรู้ในตายลักเนี่ยเราะถ้ารู้แล้วเรามีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อเราปล่อยวางได้ความทุกข์ต่างๆก็มันก็จะหมดไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจเราทุกข์ได้อีกต่อไปยังไม่มีเลยถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิพจารณาไปปฏิบัติ